เข้าทางจงกรมการเดินจงกรมเป็นทางสงบอีกทางหนึ่งที่ต้องมีสมาธิและการสำรวมอย่างมากเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถจากการนั่งสมาธินา น, านการเดินจงกรมเป็นการยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายกล้ามเนื้อแต่ไม่ได้ละจากความเพียรยังคงประคองจิตให้นิ่งมีสมาธิสติยังคงต่อเนื่อง พระจะเดินจงกรมที่ทางจงกรมที่มีอยู่แล้วบริเวณกุฏิทุกกุฏิทางเดินจงกรมเป็นทางที่ยกให้สูงจากระดับพื้นดินเพื่อไม่ให้น้ำฝนหรือน้ำค้างแช่ขังได้ทางเดินจึงแห้งเร็วปรับทางให้เรียบกว้างประมาณ1เมตรยาวประมาณ29เดินที่วัดเป็นดินทรายมีความนุ่มในตัวเดินได้สะดวกวิธีการเดินขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ระบางรูปเดินช้าบางรูปเดินเร็วจนเกิดเป็นวิ่งจะเดินโดยวิธีการลงส้นเท้าหรือวางเท้ า, เาก็ไม่มีปัญหาระยะทางเดินกำลังพอดีที่มีจุดหยุดและกลับตัวที่ไม่ให้จิตกระเพื่อมเมื่อก่อนบวชนึกว่าการเดินจงกรมเป็นการเดินเป็นวงกลมเช่นการเดินเวียนรอบโบสถ์หรือเจดีเมื่อเข้าวัดวันแรกเห็นทางเดินจงกรมที่กุฏิของหม่อมอุ๋ย จึงได้รู้ว่าทางเดินจงกรมเป็นอย่างนี้นี่เองวันแรกที่อยู่ที่วัดต้องแอบมองการเดินจงกรมของหลวงพ่อนัทพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งที่อยู่กุฏิข้างๆในอดีตท่านคือนายตารวจกองปราบผู้ยิ่งใหญ่ท่านทำความเพียรอยู่ตลอดเวลาผมพยายามเดินจงกรมให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ไม่เคยเลิกเดินที่หลังท่านได้เลย ท่านกวาดตัดทางเดินรอบสาลากวาดใบไม้มากองรวมกันสองมือกอบใบไม้ใส่เข่งในรถเข็นเวลาท่านนั่งยองๆชายผ้าสบงลงไปกองกับพื้นท่านมีความสงบนิ่งปฏิบัติข้อวัดอย่างถี่ถ้วนการนั่งการเดินเต็มไปด้วยความสำรวมผมใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานอยู่ใกล้ๆท่านด้วยความประทับใจในตัวท่านจากนายตำรวจที่เคยควบคุมกองปราบกินเหล้าหัวราน้า ทองอบายมุกมาอย่างสุดขั้วแล้วละทิ้งพฤติกรรมทั้งหมดทิ้งเครื่องแบบอันน่าเกรงขามหันเข้าหาความสงบในบ้านปลายชีวิตมาบวชอยู่วัดเพื่อเร่งทำความเพียรท่านบอกผมว่าคนเราเมื่อตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างมีเพียงความเพียรเท่านั้นที่จะเป็นบุญกุศลติดตามไปท่านเป็นแบบอย่างของผมภาพท่านกวาดใบไม้จากกุฏิถึงศาลาเป็นภาพที่ผมไม่เคยลืม วันที่ออกจากวัดหลังศึกแล้วทั้งผมและท่านน้ำตาไหลด้วยท่านคอยดูแลและเป็นห่วงเป็นใยผมตลอดบางครั้งท่านเอาทอปฟี่มาวางไว้ให้ที่ระเบียงกุฏิการอาบน้ำตอนเช้าเวลาตีสีครึ่งก่อนขึ้นศาลาเป็นการอาบน้ำที่สบายที่สุดแต่ส่งเสียงดังไปทั้งวัด พระทุกรูปรู้ว่ามีผมคนเดียวในวัดที่อาบน้ำมันหนาวจริงๆแต่อาบแล้วอุ่นสบายห้องอาบน้ำอยู่หน้าทางเข้ากุฏิบุ ด, ด้วยสังกรสีการเข้าไปอาบน้ำผมต้องใช้ทั้งไฟฉายและจุดเทียนให้สว่างสวยัยไม่อยากพบสัตว์เลื้อยคลานงูหรือมแมลงอื่นๆเมื่อสำรวจจนแน่ใจแล้วจึงแขวนผ้า อากาศในเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ดีที่สุดเย็นสบายแต่จะหนาวไปสำหรับคนผอมผมหนักเกือบร้อยกิโลและเป็นคนชอบอากาศเย็นจึงรู้สึกสบายเป็นอย่างยิ่งผ้าห่มของพระคือผ้าสังคติที่ใช้พาดบ่าสำหรับงานพิธีพูดง่ายๆผ้าสามผืนที่พระต้องครองอยู่กับตัวตลอดเวลาคือสบงจีวรและสังคติเวลากลางคืนจังวัดก็ต้องมีผ้าคลุมหัวกันหนาว แต่ความหนาวเย็นในตอนเช้ามืดที่วัดก็เป็นเรื่องที่ลำบากมากการเดินจงกรมต้องห่มผ้าทั้งสองผืนเพื่อกันความหนาวที่ทางเดินจงกรมในเวลาที่แสงสว่างไม่พอเช่นเวลากลางคืนหรือเช้ามืดจะตั้งเทียนไว้ที่หัวท้ายของทางเดินเพื่อให้แสงสว่างสะดวกในการเดินและป้องกันไม่ให้ไปเหยียบสัตว์ต่างๆบางครั้งมีลมแรงเทียนดับอยู่บ่อยๆ จึงมีการใช้ที่บางลมหรือหาปี๊บเจาะ ด, ด้านข้างมาครอบเทียนเพื่อให้แสงสว่างมากขึ้นและป้องกันเทียนดับเนื่องจากที่วัดไม่ใช้ไฟฟ้าจึงต้องอาศัยเทียนอยู่ตลอดในยามค่ำคืนก่อนบวชผมไม่เคยเดินจงกรมแต่ได้มาอยู่ใกล้กับท่านนัดดังที่เคยได้เล่าไว้ก่อนหน้านี้ท่านได้ให้คำแนะนาและเดินเป็นตัวอย่างให้เห็น ขณะที่เดินจงกรมอยู่นั้นใจผมมีความรู้สึกต่อต้านว่าจะเดินไปเพื่ออะไรจะเอามือวางไว้ตรงไหนประสานไว้ข้างหน้าหรือวางไว้ข้างหลังจะก้าวเท้าไหนก่อนขวาหรือซ้ายก้าวเร็วหรือช้าขนาดไหนหลับตาหรือลืมตาเดินจะกําหนดจิตให้อยู่ตรงจุดไหนดีที่รูจมูกที่ลมหายใจเข้าออกที่พุทธหายใจเข้าโทหายใจออก หรือกำหนดจิตไว้ที่ในตัวเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วตามที่ได้เรียนวิธีวิปัสสนาของเจ้าคุณพ่อวัดปากน้ำที่ถ่ายทอดโดยคุณยายส้มจีนหรือคุณยายครูจะถามใครให้กระจ่างเดี๋ยวนั้นก็ไม่ได้เราพระทุกรูปก็กำลังเดินจงกรมและนั่งภาวนาตามคุติของแต่ละองค์อยู่แล้วที่แย่ที่สุดก็คือมันมืดไปหมดทั้งวัดไฟฟ้าก็ไม่มีเสียงกระแอมกระไอให้ได้ยินก็ไม่มีบ้างเลย แม้กระทั่งท่านนัดที่อยู่กุติติดกันแค่เอื้อมก็ยังไม่ได้ส่งเสียงอะไรมาให้ได้ยินเลยที่วัดมีต้นไม้แน่นคลึมไปหมดพอดวงอาทิตย์ลับฟ้าเท่านั้นความมืดครอบคลุมไปทั้งวัดอุปกรณ์ให้แสงสว่างมีเพียงไฟฉายขนาดเล็กอยู่หนึ่งกระบอกและเทียนไขเล่มเล็กๆพอให้มองเห็นขณะอยู่ในกุติทางเดินจงกรมและทางเข้าห้องน้า ทั้งวัดมืดสนิทโดยเฉพาะกุฏิที่อยู่มีต้นไม้สูงใหญ่มีต้นไผ่สูงใหญ่อยู่หลายกอจะมีเสียงน่ากลัวที่สุดเสียงเหมือนคนหัวเราะ อ, อยู่รอบทิศทางจากแรงลมที่พัดให้ต้นไผ่โยกเสียดสีกันเสียงจะค่อยบ้างดังบ้างไปตามแรงลมเสียงจึงเป็นจังหวะจากเบาไปแรงคืนราที่อยู่วัด ต้องต่อสู้กับความรู้สึกผวาหวาดระแวงความมืดและเสียงรอบตัวคิดไปต่างๆนานาแสงจันทร์ส่องเห็นเป็นเงาคนห้อยหัวลงจากต้นไผ่พร้อมกับเสียงหัวเราะที่ว่าใจหายวา่าเอาละสิต้อนรับเราตั้งแต่วันแรกเลยมองแล้วมองอีกก็ยังเห็นเป็นคนห้อยหัวลงจากยอดไผ่แล้วก็คิดได้ว่าเราก็อยู่วัดหลวงตามหาบัวจะกลัวไปทาไม ผีน่าจะกลัวหลวงตามากกว่าใจชื้นขึ้นมาทันทีเอาไฟฉายส่องดูตรงจุดนั้นจึงรู้ว่าเป็นเพียงเงาต้นไผ่ที่จิตไปปรุงแต่งด้วยอารมณ์กลัวความมืดจึงเห็นเป็นรูปร่างต่างๆนาน า, นาไปกลัวแม้กระทั่งธรรมชาติเกือบไปแล้วไม่ล่ะจากนั้นจึงไม่มีความกลัวใดๆอีกเลย นับตั้งแต่ตั้งใจจะไม่เดินไปไหนมาไหนในยามค่ําคืนก็อยู่ที่กุฏิอย่างนั้นตลอดออกมาอีกทีก็ตีห้าไปแล้วตอนเตรียมตัวไปบินธบาตในวัดเมื่อจริงๆถ้าออกจากกุฏิไปแล้วรับรองว่ากลับไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเลี้ยวไปทางไหนทุกช่องทางเดินดูเหมือนกันหมดป้ายบอกทานก็ไม่มีต้องจําเอาเองฉะนั้นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือการอยู่กับที่ทําวัดถือศีลภาวนาอยู่ในกุฏิ และทางจงกรมเท่านั้นแค่ทางเดินจงกรมที่มีความยาวไม่เกิน29กว้างไม่เกินหนึ่งเมตรก็ยังเดินไม่ได้จับจุดจับทิศทางไม่ถูกที่แรกดูเหมือนไม่ยากอะไรเลยแต่พอทำเข้าจริงๆมันยากอย่างที่สุดเพราะต้องบังคับจิตใจให้อยู่ในสมาธิ พยายามประคองจิตไม่ให้วอกแวกก็แล้วพุทโธก็แล้วเดินช้าก็แล้วเดินเร็วก็แล้ววิ่งก็แล้วหายใจเร็วช้าผ่อนเข้าผ่อนออกก็แล้วบางครั้งเตือนสติว่าจะไม่คิดเรื่องอะไรวางจิตไว้ว่าขณะนี้บวชแล้วเป็นพระแล้วไม่ต้องคิดเรื่องอะไรทั้งนั้นก็ยังเอาไม่อยู่ใจมันลดแล่นด้วยความเร็วไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พุทโธอยู่ดีด จะไหนไปคิดเรื่องงานเรื่องที่ผ่านมาเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆดึงกลับมาที่พุโทโธอีกเดินช้าๆระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเดินจงกรมอยู่นะเผลอไปไหนอีกก็ไม่รู้จิตแต่กระเจิงไปเกาะเกี่ยวอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วเพลินไปกับมันเหมือนคนละเมอดึกๆนอนอยู่ละเมอเดือนเฉยเลย บางครั้งพอรู้ตัวว่าจิตมันกระเจิงไปแล้วเอาวะปล่อยให้มันคิดไปไม่ต้องไปกักขังบังคับมันจะคิดอะไรก็คิดไปแปลกฮะมันไม่ยอมคิดต่อเหมือนดูหนังอยากจะดูตอนต่อไปมันไม่ยอมหยุดฉายไปเฉยเฉยเหมือนมันรู้มันหยุดคิดเองได้วนกลับมาเดินจงกรมใหม่แต่เผลอเป็นหลุดทุกที ในคืนวันหนึ่งอากาศกำลังหนาวขณะเดินจงกรมต้องเอาสังาติมาหม่มและสวมหมวกไหมพรมป้องกันความหนาวกำลังหันหลังกลับที่ทางจงกรมและก้าวเดินต่อไปได้อีก4ี่ก้าวปรากฏเสียงดังจากพื้นทางขวามือเหมือนมีสัตว์เลื้อยคลานวิ่งฝ่าใบไม้แห้งที่หล่นอยู่บนพื้นเสียงดังแกร ก, ก, รกขณะกาลังยกขาขวาขึ้นเพื่อจะก้าวต่อไปต้นเหตุของเสียงก็หยุดลงทันทีตรงข้างหน้าเท้าขวา ที่กําลังจะวางบนพื้นทางเดินมันคือตะขาบตัวใหญ่ขนาดหัวแม่มือตัวยาวเกือบสิบนิ้วสีดําเมื่อมวิ่งออกมาจากแนวป่าด้านขวาหันหัวขึ้นมามองเราเห็นหนวดสองเส้นชูสายไปมาเข้าทํานองท้าทายต้องรีบชักเท้ากลับตามองตาเหมือนหนึ่งเพื่อนเก่าที่จากกันไปนานแล้วเพิ่งมาเจอกันหัวหางยังสายไปมาเหมือนจะวัดพลังซึ่งกันและกัน ใจบอกตัวเองว่าเกือบไปแล้วดีที่ว่ามีสติอยู่กับตัวใจไม่ล่องลอยไปไหนขณะ ก, กำลังเดินมิฉะนั้นขาคงบวมเพราะพิษเจ้าตะขาบตัวนี้แน่ขออโหสิกรรมนะว่าแล้วก็เอาผ้าสังคติโบกให้มันกลับไปเสียมันวิ่งกลับไปตามทางเดิมในคืนนั้นมีความสุขที่ได้พบเหตุการณ์นั้นกลับมาได้คิดต่อว่าต้องมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลา และได้ทบทวนชีวิตที่ผ่านมาว่าเราไม่ได้ควบคุมสติปล่อยเวลาให้ผ่านไปวันๆและผลของการขาดสติจะทำให้เกิดความเสียหายต่างๆอย่าคิดว่าท่านไม่รู้ ช่วงที่บวชอากาศที่วัดหนาวเย็นกำลังสบายปกติจะตื่นประมาณตีสี่เสรเพื่อทำวัดเช้าอาบน้ำเตรียมอัฐะบริคารขึ้นศาลาออกบิณฑบาตและฉันเป็นเช่นนี้ทุกวันไม่ขาดเช้าวันหนึ่งอากาศหนาวเย็นนอนสบายลืมตาตื่นดูเวลาตีสี่เล็กน้อยยังมีความสุขกับความเย็นของอากาศที่กาลังเหมาะกับการนอนจนตีสี่ครึง่งใจยังต่อรองของนอนต่ออีกนิดนะ กำลังสบายท่านใดนั้นหลวงตาลอยเข้ามาในห้องเด่นอยู่เหนือหัวสว่างจ้าทั่วห้องได้ยินเสียงท่านดังขึ้นว่าเองนม่ขี้เกียจสิ้นเสียงหลวงตาหูตาสว่างขึ้นมาทันทีเด้งขึ้นจากที่นอนเหมือนติดจรวดผึงลุกขึ้นยืนทันทีนอนไม่ได้แล้วหลวงตามาแล้วหอบบริขารบาทสังคติการน้ากระติกน้าร้อนขึ้นศาลา จัดวางที่นั่งเตรียมความพร้อมพระขึ้นศาลากันหมดแล้วเหลือแต่เรารูปเดียววันนั้นน้ำก็ไม่ต้องอาบหน้าก็ไม่ต้องล้างกันแล้วจัดเสร็จก็ได้เวลาออกบินธบาต ท, ทันทีเป็นวันแรกที่ขออีกนิดหนะาเช้าวันนั้นขณะที่จะเริ่มฉันพร้อมกันท่านเอ๋ยขึ้นมาลอยๆว่าพระที่ฉันมากก็นอนตื่นสายใจหล่นลงสู่ตะตุ่มเลยทีเดียว เสียววูบเข้าที่กระดูกสันหลังลง ก, ลก้นกบขาอ่อนเปลี้ยค่อยๆหันทางซ้ายเหลือบตาดูหลวงตาท่านนิ่งเฉยพูดแล้วท่านก็เฉยเส่ั้นแหละเอเรานิว่าที่หลวงตาดุเห็นลอยมาแล้วตั้งแต่เช้ามืดยังไม่แน่ใจนึกว่าฝันไปมัง้งนี่เป็นการยืนยันสัมทับมาอีกแน่ๆหลวงตามาจริงๆไม่ได้ฝันเช้านี้ท่านมาสัมทับ อ, อีก นึกหรือว่าฝันไปนี่เรื่องจริงนะพระรูปอื่นไม่เห็นมีใครเดือดร้อนเรานี่เองที่ท่านว่าเหงื่อแตกท่วมตัวเจอของจริงเข้าไปเต็มเปล่าแล้วเราหลวงตาท่านรู้ไปหมดทุกอย่างไม่มีใครหลบท่านได้พ้นท่านเหมือนเครื่องส่งเรดาร์เราเหมือนจานที่เปิดรับสัญญาณท่านส่งมาทีไรได้เรื่องทุกทีไม่ว่าจะอยู่ที่ใกล้หรือไกลที่ไหน ปิดบังอย่างไรก็ไม่มีทางพ้นองค์ท่านไปได้มีอีกหลายครั้งที่ผมได้ประสบกับการรู้แจ้งเห็นจริงของท่านหลบท่านไม่ได้สักอย่างเลยไม่ว่าคิดอะไรอยู่หากอยู่ใกล้ท่านท่านจะตอบเราทันทีคนอื่นอาจไม่รู้เรื่องแต่เรื่องของเราเราเองเท่านั้นที่จะรู้ได้เองหลวงตามหาบัว มีวิธีต่างๆที่จะสอนและตักเตือนมีระดับความอ่อนแก่หนักเบาตามความหนาบางของกิเลส ข, ของแต่ละคนจะใช้ไม้นวมเคาะเบาๆสำหรับคนที่มีจิตใจอ่อนไหวและสำนึกรู้ได้รวดเร็วและหนักขึ้นถ้าเป็นผู้ว่ายากสอนยากต้องว่ากล่าวให้ได้อายจึงรู้สำนึกหลายคนเห็นว่าการที่ท่านไม่ยุ่งหรือไม่สนใจแสดงว่าท่านไม่รู้ไม่เห็น ผมขอเรียนว่าท่านต้องคิดใหม่เสีแล้วท่านรับรู้รับฟังได้ทุกเรื่องขอให้ตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวขอ ท, ท่านเท่านั้นก็พอแล้วไม่ต้องเล่าให้ท่านฟังต่อหน้าขอให้ตั้งจิตและคิดอย่างมีเหตุผลอย่างเป็นธรรมเสียก่อนผมเชื่ออย่างเหลือกเกินว่าท่านจะไม่ผิดหวังในขณะอยู่ที่วัดเป็นระยะเวลาสั้นๆได้เห็นทั้งวัดทั้งพระตลอดจนญาติโยม เกิดความประทับใจว่านี่เป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดไม่มีความวุ่นวายฟุ้งเฟอ้อทุกวันจะเห็นหลวงตาเดินตรวจทั่ววัดสองมือไพล่หลังเดินด่อมๆไปตามทางเดินอย่างเงียบๆท่านเดินเบาอยู่แล้วเสียงกระแอมเป็นเอกลักษณ์ของหลวงตาไม่มีใครเหมือนมีรูปเดียวเท่านั้นจะว่าไปทั้งอีสานอาจจะมีท่านเพียงรูปเดียวเสียงกระแอมของท่านไปถึงไหน เหมือนคลื่นเสียงที่ปลุกสติทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระทุกรูปที่วัดป่าบ้านตาดไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนท่านเดินไปทั่วทั้งวัดในสมัยนั้นและหากท่านขึ้นศาลาเมื่อไรพระที่ตื่นสายจะขึ้นศาลาพอเห็นรองเท้าของท่านวางอยู่ในที่แล้วล่ะก็ต้องม้วนตัวกลับกุฏิทันทีเป็นอันว่าต้องอดในวันนั้นเพราะความเข้มงวดของท่านนั่นเอง จึงไม่ค่อยมีพระที่มาสายกว่าท่านคืนวันหนึ่งท่านได้เรียกประชุมพระเสียงระฆังดังขึ้นเป็นสัญญาณของการเรียกประชุมที่ศาลาซึ่งเป็นเรื่องที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำคืนนั้นท่านอบรมพระทั้งวัดพระบทใหม่นั่งอยู่หลังสุดตามลำดับอาวโุโสพยายามตั้งใจฟังเพราะไม่มีเครื่องขยายเสียงหน้าพระประธานในศาลาจุดเทียนไว้สองเล่ม ให้แสงสลัวเป็นภาพที่งดงามตามธรรมชาติเสียงของหลวงตาแข่งกับเสียงจกระจันและมแมลงกลางคืนเป็นเสียงที่ผสมกลมกลืนกันได้อย่างดีพระทุกรูปนั่งพับเพียบนิ่งสงบฝั่งท่านอบรมให้เร่งความเพียรเพื่อให้รู้ทันกิเลสเมื่ออบรมเสร็จแล้วหลวงตาถามผมว่าพระอ้วนรู้เรื่องไหมเสียงหลวงตาพูดเบา แต่ผู้นั่งอยู่ท้ายศาลาก็ยังได้ยินชัดเจนคืนนั้นเป็นคืนเดียวที่ท่านได้อบรมพระก่อนที่ท่านจะไปที่สวนแสงธรรมเพื่อโปรโดญาติโยมทางกรุงเทพขณะนั้นท่านไม่ได้มีรถราจะไปไหนก็ต้องรบกวนญาติโยมท่านเดินทางเข้ากรุงเทพโดยทางรถไฟ เรียบเหมือนนอบัวเลือกกลัวเคล้าโคลนกิเลสมายาเวียนว่ายลุ่มลงเวียนวนวัฏสงสารกว่าจะพอพ้นกลางสายน้ำเวียนทุกระทม มีพระหนึ่งเปรียบเหมือนยอดบัวพลีบานพ้นน้ำสว่างสวัยแม้ลอยขึ้นบนพ้นมาแต่บัวยังมีสายใ่พระธรรมคือทางไว้ให้ลูกหลานได้ตามร้อยบัว พระมหาบัวสุนรวมสศรัทธาพระมหาบัวลูกน้อมบูชาพระมหาบัวลูกไหว้วันทาพระมหาบัวลูกขอสัญญา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 แวกว่ายเวียนไปวันหนึ่งจะอยู่เนื้อ